ต้องต้องเล่าประวัติไหมอาจารย์แล้วขอเล่าประวัติเล่นิดเลยวกันคือคือตอนสมัยเด็กๆผมก็สงสัยว่าทําไมคนที่อายุมากถึงต้องมาเข้าวัดศึกษาธรรมะหรือไม่สมัยเรียนหนังสือผมก็สงสัยว่าทําไมรุ่นพี่ที่เรียนปริญญาโทหมายถึงโทฟิสิกนะทาไมมันมาสนใจธรรมะทั้งที่รุ่นพี่ตอนนั้นกระโดกกระเดกทั้งนั้นเลย เจอตั้งพอผมไปไปไปเรียนระดับนั้นทึงรู้ว่าถ้ามาสนใจหลักทางปรัชญาทางความคิดเพราะเนี้ยมันจะเพิ่มความความกว้างของสมองทำให้ให้มีความ ส, สามารถจะรับรับวิทยาการหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นผมก็จะสนใจทางปรัชญาเช่เนเซนหรือไม่โซเครติรปับ๊บ รี p u b l i c นี่อ่านบดเลยแต่ว่าเปรียบเทียบ ว, ว่าประจ้าตะวันออกเนี่ยรู้สึกว่าจะชอบใจมากกว่า mm hmm. เช่นเซนเต๋าเท็กเกงหรือพา ะ, ะวะคีตาสุดท้ายเนี่ยศาสนาพุทธนี่รู้สึกถูกใจมากกว่าเพื่อน ก, ก็พยายามจะสัมผัสดูว่าเป็นอย่างไรแต่เพิ่นก็ไม่ค่ยมีโอกาสได้มากนักก็ได้เรียนจริงๆจังๆก็ตอนที่วัดสวนดอก แต่ว่าของพวกนี้มันรู้สึกว่าถ้าถ้าได้ฟังผมรู้สึกนะฮะถ้าได้ฟังแล้วรู้สึกว่าตัวใจมันสบายไม่ค่อยเครียดหรือถ้ามีปัญหาการงานหรือปัญหาทางบ้านถ้ามันได้ฟังฟังธรรมะเนี่ยรู้สึกว่ามันมันมันหายเครียดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเปิดคอมพิวเตอร์เอ3มีสามทั้งวันทั้งคืน อยากเผลอตื่นเมื่อไหร่ได้ยินเสียงธรรมะตลอดเวลาเพราะคุ้มดีมั้นะฮะถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ลองไปเซฟในเอ3มพีสามดูฮะมันสามารถเล่นได้ประมาณสิบกว่ายุชั่วโมงประมาณเกือบยี่สิบชั่วโมงนะฮะเปิดตั้งวันตั้งคืนถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหรไ ด, ได้ได้ฟังอาจารย์เทศตลอดเวลานะ <c oughs> ถ้าที่ถ้าที่ผม ฟังมาตลอด3ามปีนะครับรู้สึกว่าพอจะเข้าใจว่าทำไมผู้เท่าหลายท่านหรือญาติผู้ใหญ่ผมหลายคนเวลาอายุมากทำไมไปบวชมั่งไปเข้าวัดบ้างนะครับรู้สึกว่า อ, อ, อย่างน้อยก็พอเข้าใจว่าพระพุทธองค์สอนอะไรนะครับ ตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าพออายุยังน้อยร่างกายยังแข็งแรงมันไม่ค่ไม่ค่เจ็บป่วยตอนนี้ป่วยบ่อยจะรู้ว่าเออความทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็ <c oughs> สาเหตุที่ทุกข์เป็นอย่างไรนะครับบางครั้ง อ, อหลายท่านคงคงจะเคยเจอมาแล้วว่าสาเหตุที่เจ็บป่วยหรือสาเหตุที่ทุกข์เนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่เพราะไม่ใช่เพราะเพราะ เพราะโรคไม่ใช่เพราะอะไรมาจากสภาพจิตใจของมนุษย์นะครับเช่นกังวลเรื่องการงานกังวลเรื่องภาระหนี้สินเป็นไมเกรนได้ทุกวันนะครับความทุกข์เกิดจากเกิดจากมโนวิญญาณความทุกข์เกิดจากตาที่เราไปเห็นไปผูกพันกับเขาแล้วก็มาสร้างมโนสัญญาสร้างธรรม <c oughs> ธรรมธรรมสัญญาอะไรพวกนี้ ทำให้เราเกิดโรคนะครับเพราะฉะนั้นผมตอนนี้ก็เหมือนกับหมูอ้วนๆที่รอรอรอร อ, รอเพชคาตหรือย ม, มาบาลมาเชือดเพราะผมยังไม่ได้เป็นโสดาบันรอเชือดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสนใจตอนนี้ก็คือพยายามรือ้อรื้อบ้านหลังเก่าแล้วก็ พยายามอย่าให้มีบ้านหลังใหม่ขึ้นมาแต่ผมว่ามันมันมันง่ายกว่าเอามันยากกว่าเอาเอาทั้งไปฝนและให้ให้ทั้งมันหายไปเลยนะฮะนึกออกไหมฮะว่าทั้งเนี่ยเวลาจะตีเหล็กก็ต้องตีบนทั้งเวลาจะทุบอะไรก็ทุบทุบพลาดหน่อยก็ทุบโดนทั้งเพราะฉะนั้นขันห้านี่ก็เปรียบเปรียบหมือนทั้งถ้ายังมีขันห้าอยู่ผมก็คงโดนทุบโดนตีไปเรื่อย เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงจะต้องพยายามฝนทั้งตัวนี้ให้มันหายไปจากโลกเลยอ่ะก็ก็โดยการกําจัดสมุทรไทยเช่นตันหาราคะซึ่งซึ่งของผมนี่มีเยอะเลยฮะแก้แก้ลำบากมากบางครั้งลองไปนั่งตึกดูไอ้พูดมันพูดง่ายนะต่ตึกไม่ใกล้ได้บางครั้งตั้งใจ ตั้งใจตื่นเช้าสมัติเดี๋ยวเนั่งตึกให้คุ้มคุ้มได้แค่สิบห้านาทีทั้งกายทั้งใจทั้งบ้านร้อนไปหมดเลยถ้าใครเคยเคยฝึกกังฟูนะพอฝึกถึงจุดหนึ่งตัวมันจะร้อนร้อนเหมือนเหมือนยืนอยู่บนกระทะเลยฮะเวลาไปนั่งถ้าใครเอ็นซีไม่แข็งแล้วไปนั่งกล่าวว่าจะนั่งตึกให้ให้ให้ให้ใหให ให้สามารถจะสาธยายได้ทักวันสองวันโดยไม่เคยฝึกไม่เคยซ้อมมานะผมมั่นใจได้เลยนะท่านทำได้อย่างมาห้านาทีแล้วมันจะร้อนออกร้อนใจนะครับหรือถ้าใครเคยบวชมาจะเข้าใจคาว่าคาว่าผ้าผ้าเหลืองมันร้อนมันร้อนแบบนั้นจริง <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้นผมคิดว่า ถ้าเราจะฝนทั้งนะฮะต้องต้องรีบฝนแต่ตอนนี้คือวันละเล็กวันละน้อยจะทั้งทั้งมันข้อแรกมีอินทรีย์สมบูรณ์มีพร ะ, ะหนาแน่นแล้วตอนนั้นเน่ยจะฝนได้มากกว่า น, นี้แต่วันนี้ยังยั ง, ย, งยังฝนได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ขอบคุณครับ ชีขออนุญาตพูดนะค ะ, ะคือพระ อ, อาจารย์ถามว่าเพราะอะไระถึงมีความเรื่มใสในพระพุทธเจ้านะคะคำถามนี้ค่ะพระ อ, อาจารย์ถามแค่ว่าทำไมถึงมีความเรื่มใสต่อพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์เดียวนั้นก็ต้องรวมไปถึงพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยนะคะเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะแยกจากกันไม่ได้กล่าวถึงพระพุทธก็ต้องกล่าวถึงพระธรรมกล่าวถึงพระสงฆ์ฉะนั้นจุสิก็จะสรุปลงมาว่าคนเราจะมีความเรื่องใสที่แท้จริงได้จะต้องรู้คุณนะคะว่าคุณของพระองค์นั้นมีประมาณไหนได้พระพุทธองค์ก่อนที่จะมาเป็นพระสัมมาพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างบารมีมา สร้างบารมีมา30ทัศนะคะคือถ้าถ้าเราจะกล่าวเฉพาะตอนที่พระองค์ได้ส่งพยากร น, นั้นคือ4แสนอสงไขยกลับนะคะแต่ถ้าหากว่าจริงๆแล้วมันรวม20นะคะก็<ม>ถ้าเราจะย้อนกลับไปการสร้างบารมีของพระองค์นั้นจะยาวเกินไปนะคะ ก่อนที่จะมาเป็นพระสมานพุทธเจ้านั้นเราก็จะทราบซึ้งการที่พระองค์ได้ทรงตายเกิดตายเกิดตั้งแต่สัตว์สัตว์ที่เล็กที่สุดคือไม่ไม่ไม่เล็กกว่านกกระจาบและใหญ่ที่สุดนะคะคือไม่ไม่เกินช้างนะคะมาไม่รู้มาสี่แสนอสงไขยกับนับแต่ที่ได้พุทธยากร น, นะคะแล้วก็ แล้วก็เราจะเริ่มใส่พระองค์มากในขณะที่เราสวดมนต์นะคะแต่ก่อนนี้ชูศรีจะสวดมนต์จะปากท่องท่องท่อ ง, ท, อ ง, ท, องท่องไปโดยที่ไม่มีความเริ่มใส่ไม่ได้นึกถึงพระคุณของพระองค์ไปตามบทสวดแต่มาเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าเราสวดไปปุ๊บเราเผลอสติชูศรีสวดมนต์มาเกือบสิบปีเกือบสิบปีสวดเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะความรู้สึกว่าเอ๊ตั้งแต่ที่เราสวดมานั้นน่ะมันไม่ที่เป็นความเริ่มใสมันเป็นสัญญาเฉย เะะพื่อมาไม่กี่ปีนี่เองที่ได้มาฟังพระอาจารย์สีห้าปีนี้นะคะได้มาฟังพระอาจารย์บ่อยๆเขก็ปุ๊บก็เลยกลับไปตึกกลับไปตึกบทสวดแล้วก็กลับไปน้อมใจเลื่อมไสคือถ้าหากว่าเราสวดมนต์ปุ๊บถ้าเรามีความเลื่อมใสเรามีความปีติอย่างนี้ถึงว่าจะเกิดประโยชน์ถ้าจูสีสวดมนต์ไปแล้วจูศีจะเกิดปิติทุกครั้งนะคะแต่ว่ามันจะมีบางครั้งที่ ที่เผอสติแสดงว่าจิตเราไม่ได้อยู่ที่บทสวดมนต์ลองถามใจทุกคนดูนะคะชุศรีเคยเป็นมาแล้วว่าสวดมนต์นั้นบางทีนั้นปากสวดแต่ใจไม่อยู่ที่บทสวดเลยถามทุกคนดูนะคะชุศรีเป็นมาตั้งสิบกว่าปีแล้วนะคะเพิ่งมาปรับตัวเมื่อสี่ห้าปีนี้เองพอสวดใหม่ปุ๊บเผลอสติจุศรีจะตั้งต้นใหม่ทันทีเลยเป็นการทําโทษตัวเองค่ะเริ่มสวดใหม่ทันทีเลยบางทีสวดไปใกล้จะจบแล้วอ้าว ใจเราไปคิดถึงอะไรอยู่ไม่รู้ทําโทษตัวเองเลยเริ่มต้นใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะสรุปแล้วนะคะถ้าหากว่าความเลื่อมใสคืศรีจะมีก็ในเมื่อมาฟังพระอาจารย์ได้แสดงถึงพุทธคุณใช่ไหมคะพุทธคุณเมื่อมีความเลื่อมใสปุ๊บก็จะกลับไปน้อมระลึกแม้กระทั่งทุกเช้าที่สวดมนต์จุดธูปเทียนเสร็จ แ, แล้วก็จะน้อมมาแสงพระาทิตินั้นมาบูชาพระพุทธเจ้าคือแม้กระทั่งแสงพระาทิตย์ยังไม่คู่ควรเลย คือมีคุณมีคุณมีแสงมีแสงสงดิแค่เอาแสงพระอาทิตย์ทุกเช้านะคะจูสิจะน้อมเอาแสงพระอาทิตย์บับูชาพระพุทธเจ้าแค่นี้อยู่สิยังไม่ไม่มีคู่ควรเลยยังน้อยเกินไปด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐเป็นที่พึ่งที่แท้จริงนะคะแล้วก็เป็นที่ที่จะทำให้เรานั้น เป็นไปนตามบทสวดที่ว่ า, าเปวนานิมัสเกวรัสสะถูกขคันทสะอันตริรยาปัญญาเยธาติเธอพอถึงบทนี้เทไนปุ๊บชูศีจะขนลุกเริ่มตาร่วมทุกครั้งคือทำเทไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกตั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะต่อไปด้วยจริระปรินุปนติจนถึงบทสุดท้ายว่าขอจงทาถึงที่สุดแห่งต๊อตะทุกนี้เถิดนะคะ อันนี้ก็เป็นการกล่าวเข้าข้าว่ า, าว่าทําอย่างไรเราถึงจะมีความเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้านะคะคือสรุปแล้วคือต้องเห็นคุณไม่ว่าอะไรก็ตามจะต้องเห็นคุณที่แท้จริงถึงจะมีความเคารพเลื่อมใสที่แท้จริงนะคะประโยชน์ถึงจะเกิดแล้ววิริยะถึงจะเกิดถ้าเรามีความเลื่อมใสปุป๊บเรามีถึงจะมีวิริยะเพราะตัวปฏิบัตินั้นคือตัวในองค์มรรคทั้งแปดนั้นนะคะตัวปฏิบัตินั้นมีอยู่แค่สองตัวคือตัว วิทยะกับตัวสติเท่านั้นเป็นตัวปฏิบัติตัวนอกอื่นนั้นก็เป็นตัวที่เป็นบริวาลร่วมหรือว่าเป็นฐานแค่นั้นเองนะคะก็จะขอกล่าวแค่นี้ว่ายุสีมีความเลื่อมใสอย่างนี้ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ขออนุญาตนะครับพระอาจารย์ถามว่า เริ่มใส่พระสัทธรรมคําสอนตรงไหนใช่ไหมครับผมผมมีความเชื่อมั่นแบบดิ่งเลยก็ว่าได้นะตอนนี้นะฮะผมเชื่อว่าพระสัทธรรมคําสอนเนี่ยเป็นนิยายนิยธรํานําสัตว์ออกจากทุกข์ได้จริงผมจะสรรเสริญคุณของพระสัทธรรมคําสอนเนี่ยอยู่ทุกเช้าทุกเช้าว่า พระสัตธรรมคำสอนนี้เป็นพระสัตธรรมที่ประเสริฐซึ่งประกอบด้วยคุณนานุภาพอันล้าเลิศเปรียบประดุจพระแสงแก้วจะขะจัดเสียได้ซึ่งขายแล้วคือกิเลสมีอวิชชาเป็นอาทิเป็นธรรมที่จะทั้งจะไม่ว่าจะเป็นธรรมที่เป็นสังฆตะธรรมก็ดีสังฆตะธรรมก็ดีวิราคธรรมเนี่ย เป็นธรรมที่จะย่ำยีความเมาดับความกระหายถอนเสียซึ่งอาไรเข้าไปตัดวัฏฐ์ทำให้เป็นเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความสงบเพื่อความรู้เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งผมเชื่อตรงนี้ว่า ถ้าเผื่อเราตั้งใจทำตามนั้นจริงๆนะครับผมถือว่าเสาสูงยาวก้าศอกตอกเป็นหลักคนเดินผลักอยู่ทุกวันยังสั่นไหวถ้าเรามั่นใจในพระพุทธเจ้าในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระควาพระองค์นั้นเชื่อมั่นในพระสัตว์ทำคำสอนวัเลิศแล้วในปัตตภี ทั้งสมโลกเชื่อมั่นว่าในพระสัทธรรมคำสอนที่เลิศแล้วเนี่ยมีผู้ปฏิบัติได้จริงแล้วมีเป็นสกีพยานคือพระอสิติอครมหาสาวก8ปเป็นเป็นต้นนะครับถ้าเราตั้งมั่นอย่างนี้แล้วนะลองทำดูนะ อ, อ, อย่าว่าลองเลยนะฮะเพราะาถ้าตั้งใจมั่นแล้วเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลย เพราะทุกวันนี้ก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันดูแล้วแต่เป็นเดิมพันกับอะไรนะนกหนูนนปูปีหกหมูหมากาไก่ช่างมา้าวัวควายเป็นมาแล้วเป็นมาทุกอย่างแล้วเราเป็นศัตรูขู่ฆาา่าตัวเราตัง้งแต่เมื่อไรตรชาติไหนควรแล้วมันพอแล้วที่จะเบื่อนายพอแล้วที่จะคลายกำหนัดมุ่งมั่นนะครับตอนนี้ผมพยายาม แต่ที่ศึกษามานี่ผมสาธยายไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่ามันทำให้หูอื้อ น, นะครับผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้เป็นวิธีตึกแทนนะฮะถ้าเผื่อมันยังไม่พร้อมเช่นติดขัดสะดามมาทบทวนหรือว่ามันติดอะไรตรงนี้ก็มาทบทวนเีนดูเป็นไงพร้อมไหมก็พยายามเริ่มตรงนี้ใหม่ แล้วค่อยๆทำไปทำไปนะผมผมเชื่อว่าน่าจะทำที่สุดแห่งทุกได้นะเอ่อถ้าหากว่าบุญมีเรายังไม่ตายว่ากันท่านนะเขาควายกับลังว่องสักวันนะนะผมคิดว่าน่ะพระนิพพานให้แจ้งได้ ท่ญญานอาจารย์อาจารย์ถามว่าเริ่อมสายยังไงใช่ไหมคะมันก็มาจากครอบครัวก่อนใช่ไหมคะตอนแรกมาจากครอบครัวก่อนคะ่ะที่นําไปสู่ความเลื่อมใสานี้ที่นี้ต่อมามันชีวิตมันต้องมีความทุกข์ที่นี้เราก็อยากจะพ้นทุกข์ทีนี้เราก็จะต้องปฏิบัติตามคําสอนซึ่งมันก็เป็นผลจริจรงๆทีนี้ข้อสําคัญว่าเราจะมีเทคนิคหรือมีศิละปะที่ทํำยังไงถึงจะเข้าหาคําสอนให้เป็นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ปฏิบัติอันนี้ยัง ยังมีหลายทางที่หลายอย่างยังทําไม่ได้ค่ะอาจารย์ซึ่ที่ท้นทุกข์ก็ที่เราปฏิบัติตามคําสอนแล้วมันก็พ้นทุกข์จริงๆทุกข์มันก็เบาบางลงจริงๆซึ่งเราก็สํานึกในบุญคุณอันนั้นแต่ทีนี้ตอนนี้มันมีปัญหามันมาติดอยู่ตรงเนี้ยมันมันยังทุกข์พอทนได้ทุกข์ทนได้ยากแต่มันทนได้มันยังอวดดีอยู่ตรงเนี้ยค่ะมันยังแต่แก้อยู่เนี้ยครั อคุณคุณนิดกอนคุณนิดกเ่อมใสยอยู่เริ่มใสมากๆากที่สุดเลยที่สุดน อ, อ่่อนอย่อเอย ไ, ไม่ไม้เกที่สุดอยู่แล้วที่สุดอ่นานมาสการท่านพระอาจารย์นะคะ คือท่านพระอาจารย์ถามว่าทําไมจึงเเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนนะคะเพราะว่าที่เลื่อมใสเนี่ยเพราะว่าพระองค์ท่านได้สร้างสมบารมีเพื่อจะสั่งสอนเวนัยศัตว์โดยเฉพาะนะคะตั้งใจไว้แล้วนะคะถึงสี่อสงไขยแสนกับะันนั้นคําสอนของท่านนะครับเป็นอมตะโต้แย้งไม่ได้เป็นของจริงและใช้ได้ทุกการทุกสมัยขอบคุณค่ะ อยากพูดมากมากค่ะแต่ไม่รู้จะพูดได้เหมือนที่อยากพูดหรือปานะคะค่ะเ อ, อรอบในพระพูดพร ะ, พร ะ, พ, ระพระองค์มากเลยค่ะเคยเคยตั้งจิตของเราแล้วพูดตลอดเวลาว่าลูกขอเดินตามทางของพระองค์ทั้งกายวาจานะคะแล้วค่ะด้วยกายวาจาใจนะคะแล้วก็เอท่องท่องได้ และร ล, ลักบทนี้มากที่ที่ทูดให้พระอาจารย์ฟังค่ะสุปะพุทธทังปะพุทธนาติสัทธาโคตมะสาวกาญาสังเทวาเทวาจะละโตจ ะ, ะนิจังพุทธาคตาสติสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิด ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสิทธิ์ของพร ะ, พพระโคโดมตื่นอยู่ด้วยดีทุกการทุกเมือ่อนะแล้วก็พระพอาะะจารย์แนะนํ า, นาให้ให้ตรึกต่อก็อตึกนะคะตึกถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกละทุกสมุทยัยใช่ไหมฮะแจ้งทําทุกนิโรธให้แจ้ง ทำทุกข์นี่เราให้แจ้งแล้วก็ทุกขนีโเาคามิติติาานะคะแล้วก็ถึงตึกตึกทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นก็ท่องต่อว่าสปปุปะพุทธังปะพุชนาติสัทธาโคตมะสาวกาะยะยะสังทิวาจะราโตจะนิจังธรรมธรรมะนั่นค่ะสติะคะ่ะถึงพระธรรมสติของชนเหล่าใด เป็นไปในพระธรรมเป็นนิดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสิทธิ์ของพระโคโดมตื่นอยู่ด้วยดีทุกการทุกเมื่อนะคะก็ก็พิจารณาตามที่พระอาจารย์เคยสอนพระธรรมทุกอย่างที่พระอาจารย์เคยสอนนะคะแล้วก็ตรึกอยู่ว่าสปปุปะพุทธทางปะพุทชนาติศรัทธาโคตมะสาวกา ย ะ, ยะสัยสังทิวาจะละโตจะนิจังสังขานุ ก, กาสตินะคะจุดชนจิตของสติของชนเราใดเป็นไปแล้วในพระสงฆ์เป็นนิททั้งกลางวันกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสิทธิของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีทุกการทุกเมื่อ สุ ป, ปะพุ ท, ทังปะพุฑชนาติสทธาโคตมะสาวกายะสังทิวาจะละโตจะนิจังกายกายคตาสติสติของชนเราใดเป็นไปแล้วในกายเป็นนิททั้งกลางวันกลางคืนตื่นอยู่ด้วยดี เ ป, เป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีทุกการทุกเมือ่อนี่ก็พิจารณากายในกายนะคะแล้วก็สุปปพุทธังปะพุชนาติสัทธาโคตมะสาวกายะสังที่วาจะละโตจะนิจังอะอะอหิงสายะละโตนะโมนะคะ ใจของชนเหล่าใดยินดีแล้วในการไม่เบียดเบียนทั้งกลางวันกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสิทธิของพระโคโดมตื่นอยู่ด้วยดีทุกการทุกเมื่ อ, อสปปททุปะพุทธทางปะพุทธชนาติ ท, ทา ส, สัทธา โคตมะสาวกาย ะ, ยะสังทิวาจะละโตจะภาวนายะระโตนโมใจของใจของคนเหล่าใดเป็นไปยินดีแล้วในภาวนาชนเหล่านั้นทั้งกลางวันกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสิทธิ์ของพระโคโดมทุกการทุกเมื่อเท่านั้นนะคะ ท่องตอนเจ็บมาค่ะป่วยได้และได้ดีด้วยพระเจ้าพระญาณท่อง